คอลัมน์ธรรมะปฏิบัติตอนการเรียนรู้จริตนิสัยวาสนาของตัวเองโดยสติมาการปฏิบัติธรรมด้วยการศึกษาในภาคปริยัติต่างๆนั้นเราสามารถหาตำรับตำราศึกษาดูโดยเฉพาะในพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นแหล่งค้นคว้าเทียบเคียงที่ดีที่สุดโดยเฉพาะที่เป็นพุทธพจน์จากพระโอษฐ์จริง และนำมาน้อมใส่ใจในวงเล็บโยนิโสมานาสิการ์วงเล็บปิดแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งก็คือการเข้าใจเรียนรู้ตัวเองให้ดีให้ทราบถึงจริตนิสัยวาสนาของตัวเองดูว่าเรานั้นค่อนไปทางไหนมากที่สุดและประกอบด้วยอะไรบ้างในตัวเองด้วยการหมั่นสังเกตตัวเองอยู่เนืองเนืองศึกษาปฏิบัติแล้วหมั่นศึกษาดูความก้าวหน้า และข้อดีข้อด้อยของตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นการปฏิบัติที่เหมาะสมก็จะทำให้เราก้าวหน้าในทางปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเช่นเราทำอย่างไรแล้วทำให้เราสามารถมีสมาธิได้ง่ายเราก็ควรทำอย่างนั้นเป็นฐานของเราไม่ต้องไปปฏิบัติตามอย่างคนอื่นหรือเห็นว่าคนอื่นเขาทาได้ดี เพราะแต่ละบุคคลยอมแตกต่างกันโดยรายละเอียดของตนเองเราต้องศึกษาตนเองก่อนอื่นศึกษาตรงจุดสำคัญสำคัญว่าเราทำกรรมฐานแบบไหนแล้วทำให้กรรมฐานเจริญตั้งแต่สมถกรรมฐานซึ่งมี40กองและวิปัสสนากรรมฐานในเรื่องของรูปและนามว่าเราถนัดรู้เรื่องใดกว่ากันและรู้แล้วทาให้กรรมฐาน น, นั้น จเจริญได้รวดเร็วกว่ากันข้อนี้สามารถโยงไปยังเรื่องที่ว่าทำอย่างไรเราจรึงสามารถช่วยกันรักษาพุทธศาสนาได้ก็เพราะเหตุที่ว่าเราเป็นหนึ่งหน่วยในพุทธศาสนาที่จะช่วยกันทําตนให้เจริญในธรรมได้ก็เป็นหนทางหนึ่งในการรักษาพระพุทธศาสนา และอีกประการสำหรับผู้ที่มีพลังสามารถที่จะทํานุบํารุงรักษาพระศาสนาด้วยสร้างกำลังของตนเองว่าอยู่ในพุทธภูมิก็จะยิ่งสามารถช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาได้กว้างขวางและมีพลังกำลังที่จะทำในหลา ย, ลายสิ่งห ล, หลายอย่างที่จะช่วยจันลงพระพุทธศาสนาไว้ได้ในการเรียนรู้ตนเองทาใหเราสามารถปฏิบัติภาวนาได้ก้าวหน้าและไม่เสียเวลาในการปฏิบัติ ที่ไม่ตรงต่อจริตนิสัยวาสนาตัวเองแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติแต่และแนวทางให้ดีโดยต้องเทียบเคียงกับในพระไตรปิฎกว่ายังตรงและอยู่ในแนวทางค้นทุกขปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์หรือไม่การที่เราปฏิบัติแล้วยิ่งทุกเพิ่มขึ้นขอให้พึงสังวรว่าอาจจะผิดทางแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อขันติความเพียนซึ่งตรงเนี้ยเราเองก็ต้องทราบว่าเราเป็นคนขยันหมั่นเพียนหรือไม่เราย่อหย่อนต่อการปฏิบัติหรือไม่ด้วยฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ซื่อตรงต่อตนเองในการศึกษาพิจารณาจริตนิสัยวาสนาของตัวเองโดยมองเห็นข้อผิดและบกพร่องของตัวเองให้ออกพยายาม ยุติธรรมและดูตัวเองด้วยความเป็นกลางจริงๆเราถึงจะเข้าถึงหรือรู้จักตัวเองได้จริงๆสติมามกราคม2550รสวใจอยู่งพันห้าคือเอได้เจอ แต่ไม่สนใจเองต่วันที่เธอไร้ร่างกายจนสุดท้ายาเธอจเหลือแค่เพียงใจ